เอาไปความทุกกันทุกคนวันเด็ก็ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไรท่านเจ้าคุณว <c oughs> ันเสาร์ที่เ็ดวันเสาร์ที่สิก็ก็เหลืออีกประมาณสิบกว่าวันที่จะได้ทําพิธีมอบถาวายองค์พระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้าอยู่ที่โรงเรียน มีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมบุญทำาพ ป, ป่าทําพ ป, ป่มาร่วมบุญสร้างมาหาเจดีย์ของเราทั้งช่วยทางโรงเรียนด้วยช่วยทางโรงเรียนก็หลายอยา่างปีนี้ได้ช่วยทางโรงเรียนหลายอยา่างได้จัดสร้างอาคารเรียนห้องประชมุมแล้วก็มาเมื่อวานนี้ก็มาเปลี่ยน เดินไฟให้หมดเปลี่ยนสายไฟแล้วก็ซื้อเดินสายไฟสเป็ซื้อเครื่องใหญ่ประมาณ3 0 0แ0นกว่าบาทก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนนี่ไฟไม่โรงเรียนกอสายไฟใช้ม า, า30กว่าปี40กว่าปีเห็นไม่หลายจุดก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ไฟใหญ่ มีโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างฝากเอาไว้ให้กับพี่น้องให้กับลูกหลานของเราส่วนทางในวัดญาติโยมท่านในปรารถนาที่จะม า, า, า, าร่วมบุญช่วยกันทำทั้งกําลังกายกําลังใจมาช่วยกันสร้างมาหาเจดีย์ใหญ่ก็ค่อยดาเนินไปเรื่อย เดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นชั้นที่สองยกจํำลังเทคานเทเสากันจะขึ้นหล่อชั้นที่สองก็คงจะภายในพันษานี่มีโอกาสพวกเรามีโอกาสมากได้มาช่วยกันหลายที่หลายจุดแล้วก็ญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะนำผ้าขาวมาไว้สำหรับห่อศพ ผ้าขาวที่พี่น้องเราเอามาร่วมกันช่วยกันเมื่อสองปีก่อนหรือสามปีนี่เนี่อหมดผ้าขาวห่อศพนี่หมดเลยเพราะว่าไ อ, อ้คนโยมญาติโยมตายในวันละสองวันละสามวันละหนึ่งมาทุกวันมาทุกวันเมื่อเช้าในตีห้าก็เห็นว่ามารับเปลลงอยู่ใกล้ๆวัดของเรานี้คนหนึ่ง ก็ที่ให้บริจาคหลงศพทานหลงศพทั้งเงินทุนช่วยเหลือไปอีกศพละห้าพันหมดไปแล้วประมาณแ2 0รยี่สิบกว่าศพอี่สกว่าลงสงสัยภายในพรรษานี้ก็คงจะถึงพันผ้าขาวที่หยัดโยมนำมาถวายอันนั้นก็หมดหมดเครียกที่ให้ไปใช้สำหรับห่อศพ แล้วก็ผ้าไทยจีวรแล้วก็ชุดดอกไม้ทุกทเทียนมีหมดเลยที่ให้ให้ไปช่วยงานศพ บ, บางครอบครัวก็ลำบากบางครอบครัวนี่แทบจะไม่มีอะไรก็ได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันไปญาติโยมท่านได้ปรารถนาอยากจะช่วยลงศพก็มาร่วมกันบางคนบางท่านก็เอาลงมาถวายให้ก็มีสอง ประมาณตัก4สี่โลงแล้วแหละที่ยมเอามาถวายให้แล้วก็บางคนบางท่านก็ฝากแกตุกปัจจัยไว้ซื้อโลงหมดกันไปแต่ละทีนี้สั่งมาทีละแปดสิบโลงทุกวันนี้ทางโรงงานเขาเอาด้วยโลงละ700ร้อยบาทไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือเราสั่งตรงจากร้านทีหนึ่งเขาก็เอาโลงละพันห้า ทีนี้เราสั่งตรงจากโรงงานเท่อแกะโรงงานที่ชัยภูมิก็ได้ลงระเกิดรอยมีโอกาสก็ได้มาร่วมกันมาช่วยกันได้สร้างบุญฝาก็ไว้ให้กับพี่กับน้องแม้กระทั่งตายเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนทางด้านที่ปักธงชัยยังก็ดำเนินการปลูกต้นไม้ ญาติโยมบางคนบางท่านก็มาร่วมมาช่วยกันซื้อต้นไม้ต้นไม้ต้นชมพูพันทิพย์ที่ออกดอกเต็มต้นแล้วก็ต้นหางนกยูงแล้วก็ต้นกระรับประพฤกดี๋วนี้ก็ปลูกไปได้หมื่นกว่าต้นอญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลคณะโน้นคณะนี้ก็ได้มาช่วยกันบริจาคซื้อต้นไม้ต้นละ300รกว่าบาท เอาต้นสองนิ้วมาปลูกถ้าเอาต้นเล็กไปปลูกเวลาผลตกแล้วดินไหลกบหมดบอกว่างั้นก็เลยเอาต้นใหญ่ประมาณ500อกว่าไร่นี่ก็จะไล่ปลูกไปเรื่อยๆให้เต็มให้เป็นด ง, ดงดอกไม้ใหญ่ของเมืองไทยนี่ภายในสิปีถ้าเรายังมีกำลังยังมีลมหายใจก็คงจะได้ยินข่าวทราบข่าวว่าดงดอกไม้ มีเกิดขึ้นที่ปักธงชัยแล้วก็มหาเจดีย์ใหญ่ที่จะได้อเชิญพระบ ร, รมสารีริกธาตุไปปฏิบัติฐานเดี๋ยวในทางกรมหน่วยงาน ท, ท, ทหารหน่วยกองพลกองพันน้อยที่ออโคลาช ท่านก็ให้บริวาลไปช่วยเอาเครื่องไปเจาะน้ำบาดาลเจาะไปแล้วสองบ่อก็เจอน้ำเจาะบ่อกะว่าจะเอาสค่าบ่อตอนนี้ทั้งขุดบ่อขุดสะไปด้วยเอาดินไปถมที่ที่จะสร้างมหาเจดีย์ก็ไปได้เกือบจะสมบูรณ์แบบมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรา ไปร่วมกันไปช่วยกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่จะเป็นประโยชน์ให้เราพยายามทำประโยชน์ต่อส่วนตัวส่วนรวมประโยชน์ประโยชน์ส่วนกลางประโยชน์ของแผ่นดินมีโอกาสเห็นว่าเอเอญาติโ ย, ยมเราก็จะไปช่วยกันปลูกอีกอยู่วันสองวันเพราะว่าหลวงพ่อก็ได้ให้เอาต้นไม้เข้าไว้ประมาณสักพันกว่าต้นต้นชมพูพันทิพย์ แล้วก็ต้นหลวงพ่อก็คงจะได้ลงไปอีกอยู่วันที่ 19.19 19วันจันทร์สิ้นเดือนจะได้กลับมามีโอกาสก็เชิญพี่น้องเราไปร่วมกันไปช่วยกันทางคดแ่นทางวัดเราก็ให้ดำเนินกันไปทำกันไปอยู่ที่ไหนก็จะได้มีความสุขไม่ว่าจะหันหน้าไปที่ไหนก็ขอให้มีความสุข อย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ทั้งสมมุติทั้งทางด้านจิตใจส่วนทางด้านจิตใจนั้นเราก็เจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราให้ได้ทุกวันบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเราให้เป็นอย่าไปปล่อยประละเลยอันนี้คือสมมุติอันนี้คือวีมุติ เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีสติมีปัญญาพอที่จะอบรมใจของเราได้เราก็พยายามสร้างขึ้นมาสร้างสติสร้างความรู้ตัวขึ้นมาอบรมใจของเราชี้เหตุชี้ผลอะไรคือรูปอะไรคือนามมีอยู่ในกายของเราหมดอะไรที่จะเป็นบุญเราก็รีบทาโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดเปิดโอกาสให้กับทุกคนอ่ะ พากันตั้งใจรับพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระตุบไายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปัดนมมือฝังไปด้วยน้อมจำเนียบไปด้วย หลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ mm hmm. แล้วก็พ่นลมหายใจออกมายาวๆเวลาเราสูดลมหายใจยาวๆสัมผัสของลมหายใจจะกระทบปลายจมูก ข, ของเราได้ชัดเจน mm hmm. เวลาหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรบรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรบรู้อยู่ mm hmm. นี่แหละที่ท่านเรียก ว, ว่าสติรู้กายสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบัน เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกจนชำนาญจนเป็นธรรมชาติถ้าเรามีสติรู้กายอยู่ลึกลงไปอีกส่วนการเกิดคงใจการเกิดคงคันห้าหรือว่าความคิดของเรานั่นแหละเขาเกิดเกิดดับดับบางทีก็คิดเรื่องกุศลบ้างอากุศลบ้างบางทีก็เป็นบุญบ้างบางทีก็เป็นอกุศลบ้างสารพัดอย่างที่จะเกิดขึ้นที่ใจของเรา เรามาสร้างผู้รู้มาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็รู้เท่าทันใจรู้ลักษณะของใจรู้จักการอบรมใจเราไปเอาไปใช้จนกลายเป็นปัญญาแต่เวลานี้กำลังสติอาจจะรู้อยู่เป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวไม่เอาไปใชใ้ได้เป็นอัตโนมัติ มันก็อ ย, กอยากอยู่การพูดง่ายแต่การทำความเข้าใจต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นบุคคลที่ ขยันหมั่นเพียรหมั่นวิเคราะห์ใจของเราปกติใจของเรามีความโลภความโกรธใจของเรามีความทะเยอทยานอยากใจของเราเกิดกิเลสอยาบเกิดกิเลสและเอียดถ้าเรามีผู้รู้อยู่ปัจจุบันเราก็จะรู้เท่ารู้ทันรู้จะแก้ไขปรับปรุงตัวเราตลอดเวลาส่วนมากก็ปัญญาที่เกิดจากใจเกิดจากขันธ์ห้าเราไปยึดมั่นหมายเอาปัญญาตัวนั้นทั้งที่ใจของเรายังหลงอยู่ หลงอยู่หลายชั้นหลงในกายมาสร้างขันห้ามนุษย์ปิดกัน้นตัวเองเอาไว้คือตัวใจตัวกายนี้เป็นส่วนรูปตัวใจกับอาการของใจนั้นเป็นส่วนนามมาทำ<ม>เขามาสร้างขันห้าปิดกัน้นตัวเขาเอาไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นท่าเอากิเลสมาปิดกัน้น ทับถมงตัวเองเอาไว้อีกกิเลสหยาบกิเลสละเอียดทั้งดีทั้งไม่ดีมาทับถมใจของตัวเองเอาไว้อีกชั้นหนึ่งก็ เ, เรียกว่าหลงโลกธรรมหลงโลกธรรมเราถึงได้มาเจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้เข้าไปรู้ไม่ทันปัญญาเก่าหรือตัวใจเก่าเราก็ใช้สมถะดับหยุดเอาไว้ท่านถึงบอกว่าเป็นการสวนเป็นการพวนกระแสกิเลส จนกําลังสติที่เราสร้างขึ้นมาต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกเริยาบทเราก็จะเห็นการเกิดของใจเห็นลักษณะอาการการเกิดการก่อตัวเราก็เห็นลักษณะอาการองคันห้าเขากอดตัวอย่างไรความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละเขาพูดขึ้นมาใจเคลื่อนเขาไปรวมได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวเป็นรายละเอียดถ้าเราสังเกตทันเขาจะแยก อ, อกจากกัน ภาษาธรรมท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกไม่ให้ใจเข้าไปหลงไปรวมไปร่วมเป็นสิ่งเดียวกันไปด้วยกันถ้าสังเกตทันแล้วเขาแยกออกจากการใจก็จะหายขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบาความรูต้ตรวจที่เราสร้างขึ้นมาในตามดูความเกิดความดับของขันห้าว่าเป็นเรื่องอะไรบางทีก็อดีตบ้างอนาคตบ้างบางทีก็เป็นกุศลบ้าง ก, กลางๆบ้าง เห็นตั้งแต่ต้นเหตุรู้ตั้งแต่ต้นเหตุนั่นแหละเขาเราว่าอานิจจังความไม่เที่ยงของความพิษของขันห้าความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาเขาดับแล้วความว่างเปล่าเข้ามาปรากฏนั่นแหละอัตตาใจของเราเข้าไปรวมเข้าไปยึดก็เลยเกิดอัตตาโตโตนกายก็เลยหนักใจก็เลยหนัก แล้วก็เกิดอยู่อย่างนั้นหมุนวนเวียนไหวตายเกิดบางทีก็เกิดในบุญบ้างบางทีก็เกิดในอคุสลบ้างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดธกิจเที่ยวในหลักธรรมแล้วท่านให้คลายขันห้าแล้วก็ละกิเลสต่างๆที่เกิดจากใจแล้วก็ตัวละเอียดสุดดับความเกิดของใจใจไม่เกิดใจก็นิ่งใจที่คลายจากขันห้า ใจก็คลายจากความหลงแล้วก็ละกิเลสที่ใจละทีนโน่นที่นี่กิเลสก็เหือดแห้งออกจากใจของเรากิเลสตัวใหญ่ๆไปถึงตัว น, น้อยๆตัวมุนทินตัวนิวรณธรรมต่างๆแล้วก็ละเอียดที่สุดคือความเกิดของใจนี่ถ้าใจไม่เกิดก็ไม่หลงถ้าเราดับความเกิดของใจได้ใจเกิดเมื่อไหร่เราดับเมื่อนั้นหนุนกำลังสติปัญญาของเราไปเกิดแทน ให้ใจอยู่ในความว่างความบริสุทธิ์ความว่างความบริสุทธิ์นั่นแหละคือวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเข้าถึงตรงนี้มีตแต่แสวงหาใจแสวงหาดินรนสารพัดอย่างก็ทำให้ใจของตัวเราเี้ทั้งหลงเกิดหลงยึดสารพัดอย่าง เราต้องมาค่อยขัดค่อยเกาแต่เราวันใจของเรามีกิเลสมากกิเลสน้อยเราละกิเลสได้หรือไม่เราจเจริญพรมิหารใจมีความเมตตาใจมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราหลวงพ่อก็เพียงแค่เราให้ฟังเท่า น, นั้นเองถ้าพวกท่านไม่ไปทำก็ไม่เกิดประโยชน์ ตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องหมั่นพัฒนสอนตัวเราอตลอดเวลาอยู่เหนืออํานาจของกิเลสอยู่เหนืออํานาจของความเกิดของความอยากแต่และวนันมีกันทุกคนเว้นแต่ว่าเราจะสร้างความรู้ตัวกําลังสติของเราจะเข้มแข็งแข็งแรงหรือไม่เท่านั้นเองก็ต้องพยายามล้มแล้วลุก ข, ขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ตลอดเวลาสักวันก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกัน สร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งดีกว่าไม่ได้ทำนะผากันไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกอรื่ายบท